เพียงวันละเลยละดอยให้มันเป็นไปอย่างนี้ ดูแลให้รักหมดนานยามหยดนานไม่นานแต่เป็นดังคล้ น, น้ำเย็นสดใสและให้รู้ว่าเป็น God. และจะรักหมดหัวใจ